พระธรรมเทศนาที่อัดมวนเทพมูนนี้ท่านอาจารย์มหาบัวยาณสัมปันโนได้แสดงในเนื่อในวันวิสาขาบูชาในาวันที่15และ18พฤษภาคม2508ให้คณะท่านาศาสตราจารย์ในแพทย์อวยเกดสิงห์ฟังะบันอัครีมนุษย์ที่บุคคลอัศจรรย์ ได้อุบาตว์ิ่มคือพระพุทธเจ้าประสูตธตรัสรู้และพระเดชประันธปฏิมีภาทั้งสามสมัยมีตรงกับวันเพ็ญเดือนหกงเป็นวันอัศจาารรย์และเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่บรรดาเราทั้งหลาย ที่แม่ได้ทราบแต่พิธีศพพิธีคุณของพระองค์คือประศูตรัตสรู้ก็ดีการประสูติของพระองค์ท่านประสูตออกจากพระคันของพระนางสิริมหามายาึ่งคือพระมารดาของท่าน พระสนบคือพระราชบิดานั้นได้แก่พระเจ้าสิทโธธนะมหาลากทั้งสองพระองค์นี้ท่านได้อัติยะมนุษย์มาเป็นพระโอรสของท่านอัติยะมนุษย์ประเภทนี้เป็นบุคคลที่หาได้ยาก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 ในระยะที่พระองค์ทรงครองราชย์สมบัติยู่นั้นก็ทรงรู้สึกในพระทัยว่าบัตดนี้พระองค์ได้เป็นผู้ใหญ่แล้วตั้งแต่วันได้รับราชาพิเศษคือเป็นพระสัตรครองแผ่นดินทรงพิจารณาไตรตรองทั้งทางบ้านการปกครองนอกจากนั้นแล้วยังเป็นเหตุให้ ได้ทรงไตรจรองถึงอุบายวิธีที่จะปกครองบรรดาประชานาทั้งหลายให้มีความร่มเย็นในพระบรารมีของพระองค์ยิ่งคิดไปมากเท่าไรพระเราบารมีที่ทรงสั่งสมมายอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นเหตุให้ต่อขึ้นในพระทยและทรง เป็นเรื่องนี้บันโดนบรรดาให้พระองค์จับจัะเสด็จประพาสในสถานที่ต่างๆเมื่อเสด็จประพาสไปในสถานที่ใดก็ล้นแล้วแต่พระบารมีเป็นเครื่องบรรดนุบรรดาให้พระองค์เจ้าทรงทอดพระเนตรและได้ทสรงเสจรดพระไทยในสภาพที่ใดทรงพระเนตรนั้นๆ คือเมื่อเสด็จออกไปคราวแรกก็ได้เห็นเด็กเล็กเล็กที่เพิ่งเคราะก็ได้ทรงพิจารณาเสด็จออกไปว่าละที่สองก็ได้เห็นคนแก่ถือไม้เท้าเดินงอมแงมงอมแงมเธอไปครั้งที่สามก็ได้เห็นคนตาย ซึในพระราชวังนั้นไม่ค่อยจะมีคนประเภทที่ให้พระองค์สรุปสังเวกษ์พระเดชเ อ, อกปรัชงที่สี่ก็ได้เห็นเพศของสมณะแต่สมณะในครั้งนั้นจะเป็นสมณะประเภทใดนั้นยังไม่แน่นอนนะักเพราะถ้าจะเป็นประเภทแห่งสมณะที่เป็นนักบวชหนุ่งเหลืองห่มเหลืองอย่างนี้ก็คงยังมีไม่ได้ พรศาสศาสนาพระพุทธเจ้าของเรายังในอุบัติคงเป็นเพศสมณะที่สงบกายวาจาด้วยการประพฤติปฏิบัติตปะธรรมสื่ตามลัทธิของตนซึ่งมีเกลื่อนอยู่ในโลกมีมาแต่การไหนไหนทั้งสีวรรคที่พระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจะทรงเตือนพระบรารมีของพระองค์นี้เตือนพระไทยของพระองค์ ซึ่งได้ทรงบำเพ็ญมาหลังสมบูรณ์แล้วให้ได้มีกําลังยิ่งขึ้นจึงเป็นเหตุให้ทรงสนพระทัยต่อการพินิจพิจารณาสรดสังเระต่อเรื่องทั้งเรื่องเกิดขึ้นมาเบื้องต้นของบุคคลทั้งไวแกรของบุคคลที่แสดงอาการเปลี่ยนแปลงจากบุคคลคนเดียวหรือจากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่แล้วเปลี่ยนแปลงจาก ความเป็นผู้ใหญ่ความแก่ชรานั้นกลายไปเป็นผนตายให้พระองค์เจ้าทรงสลดพระไทยสเสด็จกลับพระราชวังทุกๆครั้งที่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพการเช่นนั้นละครั้งที่สีีขอบเป็นเหตุให้ทรงพอพระไทยเห็นเพศสมณะรู้สึกว่ามีความสงอบงเฉงยน่าหร่วมใส่น่ายินดี ยิ่งได้ทรงสนพระไทยมากขึ้นแม่ที่สุดเสด็จประทับอยู่ในหอปราสาทในคืนวันจะเสด็จออกทรงผนวดนั้นเป็นเหตุให้มีหลายเรื่องหลายประการที่จะทรงสตืนพระไทยพระองค์ซึ่งแต่ก่อนนางนักสนมบริษัท์บริวารที่ในทรง ที่ได้บำุงบำเรอพระองค์ให้มีความสุขความสําดานบานตระไทยนั้นในคืนวันนั้นรู้สึกว่าสแสดงความวิปรดิดผิดคนสามัญธรรมดาจนกลายเป็นเหมือนกับป่าช้าพิดขึ้นในพระรา ช, ชวังของพระองค์ท่านคื่นอนเกื่อนสนกันอยู่สแสดงกิริยา่าทางเหมือนกับคนที่ตายแลว้วก็ดีเหมือนกับคนก็เสือกกสนกาลังจะตายก็ดีเมื่อเทียบ กันได้จัดใดยส่วนแล้วพระองค์ก็ทรงทราบทัศน์ว่าเป็นเหมือนกับป่าท้าผีดิบในพระราชวังของเราอยู่ที่ไหนก็ทรงไม่พอพระทัยที่จะอยู่ได้ในจําเป็นต้องเสด็จออกขนวดในกลางคืนวันนั้นมีนายฉันะต า, ามเสด็จมากรัตกะซึ่งเป็นมาสรงของพระองค์ท่านเสด็จออกไปเสียในเวลากลางคืนมี่เป็นเรื่องที่พระองค์ท่านเริ่มจะ ทงส่งเสริมพระบารมีของพระองค์ท่านให้สมบูรณ์เต็นที่โดยวิธีตรงออกผนวดประพฤตตปะธรรมทณทิศอิสระภิทิมาณะทศนทุกสิ่งทุกประการน่าจะสมบัติไายฟ้าประชาแผ่นดินกว้างแคบที่อยู่ในร่มเงาพระบารมีของพระองค์ท่านได้ทรงสละเสียทิ้นในวันนั้นแม่ที่สุดพระชนก ค น, นีพระชายาพระลูกรักก็ได้สละไปหมดตลอดถึงตำแหน่งแห่งข้ามหากษัตริย์ที่ได้ทรงครองอยู่ก็สละไปหมดกลายไปเป็นนักบวตเป็นคนขอทานอยู่ในป่าในเขาซึ่งสมัยนั้นไม่มีศาสนาคนไม่ค่อยจะเชื่อในผลสีลพ้นทานการทำบุญทาทาน พระองค์ท่านคงจะรับความลำบากง่ายน้อยทีเดียวเพราะศาสนาก็ไม่มีคนไม่มีความเชื่อความนิมายต่อคุณงามความดีถึงอย่างนั้นก็ไม่ทรงทอพระภัยทรงบำเพ็ญพระองค์ท่านถึงกับสลบสลายถึงสองสามครั้งจนกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์ขึ้นในโลกแต่เพราะอาศัยความภาคเทียนพยายามเป็นเครื่องหนุนพระองค์ท่านอยู่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 ที่พระองค์ท่านตรารถนาไว้แล้วก็ไม่ทรงพอพระทัยเพียงเท่านั้นยังมีพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งแต่บรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ทรงนิ่งนอนพระองค์อยู่เพียงความจัดรุ้ได้รับความสุขอันเป็นบรมสุขโดยลำพังพระองค์เองเท่านั้นยังมีพระเมตตาอย่างยิ่ง เี่ยบประกาศศาสนาเบื้องต้นก็แสดงทำเกิดเบนจวัคคีทั้งห้าโดยยกธรรมจักรกับพระวัฒนาสูตรขึ้นแสดงเบนจวัคคีทั้งห้าก็ได้บรรลุพระโสดาปฏิมาปฏิผลจนนำลำจนกระทั่งถึงอรหัตผลมีพระสาวกห้ารูปด้วยกันมี่เป็นพระษินาตก แล้วก็รีสั่งบรรดาสาวกทั้งหลายเหล่านั้นให้ปร ะ, ประกาศพระศาสนาโดยไม่ให้ไปด้วยกันแห่งละสององค์ให้ไปแห่งละองค์องค์คือไม่ซ้ํารอยกันไปเพื่อพระศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรืองบรรดาสาวกทั้งหลายที่ไม่เป็นที่ไว้พระทัยของพระองค์และเป็นที่ไว้ใจจะของตัวเองได้แล้วก็เที่ยวประกาศพระศาสน า, าเนี่ยนำสั่งสอนไปชาญผล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 จากนั้นไปแล้วก็ได้ศาสนาก็แผ่กระจายไปทุกทิศทุกทางเป็นเวลาสิบห้าพรรษาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประกาศพระกาศาสนาให้บรรดาประชาชนทั้งหลายได้ทราบเรื่องจึงได้เสด็จกับขันทปัปเรนีผ่านทำที่พระองค์ท่านตรัสรู้นั้นเป็นธรรมที่อัศจรรย์ยิ่ง ในสมัยนั้นไม่มีใครจะสามารถรู้ได้มีพระองค์ท่านเป็นพระองค์แรกที่ได้จัดสรุปธรรมมหตจรรย์ขึ้นในพระไถยต่อจากนั้นก็มีสาวกในรู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นลำดับลำดาศาะศาสนาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในระยะสี่สิบห้าพันว่รษาก็รู้สึกว่ามีประชาชนที่สนใจต่อพระพุทธศาสนา บำเป็ญทุนงานความดีตามพระองค์ท่านมีจํานวนไม่น้อยแม้พระองค์ท่านจะปริพันธ์แล้วพระศาสนาก็คือคําสอนของพระองค์ท่านก็เป็นศาสดาแทนคือพระธรรมหนึ่งพระวินัยหนึ่งในข้อนี้พระอานนุ์ก็ได้ทูลถามพระองค์ท่านด้วยความวิตกกังวลเวลาพระองค์ท่านในปริพันธ์ไปแล้วจะไม่มีครูมียก า, ารเป็นผูแนะนําความสอนพระองค์ท่านก็ได้ยก พระธรรมกับเทวินัยขึ้นว่าพระธรรมและพระเวนัยที่เราได้ทรงบัญญัติและสั่งสอนไว้แล้วนี่แหลยจะเป็นศาสตราแทนเราตถาคตถ้าท่านผู้ใดมีความจงรักภักดีต่อราตถาคตมีความเชื่อความนมสายอยากจะกดเครื่องทุกภายในจิตใ จ, จของตนเป็นท่านๆถึงปายจนถึงนิมุดอันสุดยอดแล้วโกรธได้มีความเคารพในหลักธรรมหลักที่ในที่ราตถาคต ได้สั่งสอนเอาไว้เพราะหลักธรรมในที่สถาคตได้สอนไว้นี้เป็นสุขาตธรรมคือตรัตไว้ชอบแล้วไม่มีสิ่งใดจะบกร่องในคำพูดของสถาคตที่ได้แสดงออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจแด่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายและเป็นนิยานนิกระธรรมเมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของสถาคตแล้วต้องมีความบุดพ้นเป็นผล ตอบแทนเป็นลำดับไปจนถึงหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงนี่เป็นทะโอาวาทที่เป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าแม้พระองค์ท่านจะปริพานานานสักเท่าไหร่ก็ตามก็สักแต่เป็นในร่ำเีลาเป็นการสมัยของมืดสว่างปีเดือนเท่านั้นคุณงามความดีก็ดีหลักของพระธรรมวินัยที่เดรงสั่งสอนไว้แล้วก็ดีที่ออกมาจากพระ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 อาโนนทำไมจึงต้องถามอย่างนั้นเล่าเพราะมรรคผลนผิพพานนี้ตถาคตไม่ได้เอาไปด้วยเพราะเหตุใดเพราะว่าสุ ข, ขาตธรรมที่ตถาคตได้แสดงไว้แล้วแสดงไว้เพื่อมรรคผลนผิพพานทางนั้นทุกบททุกบาทที่ตถาคตเที่ยไว้ไม่ได้คีดให้นอกหลักจากเหตุผลที่ผู้ประพฤตปฏิบัติตามจะผิดหวังแต่เราตถาคตแสดงไว้เพื่อเบื้องต้น ท่ากลางและที่สุดได้จะยึดมุตภนิพานทางนั้นท่านผู้ใดมีความสนใจประพฤติปฏิบัติต่อหลักธรรมที่เราได้ตรัพไวชอบแล้วนี้ผู้นั้นจะเป็นผู้ได้รับความเป็นธรรมอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เราตถาคตยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่เร า, ถาตราถาคตปรินิพานไปแล้วเพราะส่วนขาตธรรมนี้ไม่นินยมกาลไม่นินยมเวลาเรียกว่าเป็นอาการลิโก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 ไม่มีความขายันหมั่นเพียรหมดศรัทธาความเชื่อความหลงใสต่อคุณงามความดีที่ตนจะเป็นบากเป็งถึ ง, ถ ง, ถงแม้แต่ขาคตจะยังมีชีวิตอยู่หน้าบัตรนี้ก็ตามบุคคลผู้นั้นก็เป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีหาประโยชน์ไม่ละไม่เพียงแต่ว่าเราจะมีพันไปแล้วแม้เขาจะอยู่กับเราหรือกับชายีวรเราไปมายตามเราอยู่ตลอดเวลาคนนั้นก็หาได้ชื่อว่าตามเราตาาคตไม่ ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทำนั่นแหละชื่อว่าตามเราถาคตและชื่อว่าบูชาเราถาคตติตลอดเวลาและชื่อว่าได้เข้าเข้า ถ, าถาคตทำทั้งพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาขอให้อานุนทำความเข้าใจอย่างนี้มีเป็นพระโอวาทคำสอนของพระโพธิจักรที่ตรัสกับพระอานุนส่วนสุดท้ายและทำทั้งหลายที่พระองค์ท่านสอนนั้นพระองค์ท่านจะผ่านไปแล้วก็าตาม ธรรมะาที่สอนไว้แล้วจะมีเวลากี่ปีกี่เดือนถ้าคำนวณแล้วสองพันห้าร้อยแปดปีนี้ก็ตามกอดี้ถึงเรื่องความมีอยู่ความเป็นอยู่ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สูญไปจากโลกคือสิ่งที่ถูกพระองค์ท่านกล่าวไม่มีสิ่งใดที่สูญไปจากโลกเพราะฉะนั้นสัตว์จะทาจริงเป็นของคงที่อยู่เช่นนี้ด้วยอานาจแห่ง ทำเป็นของจริงธรรมศาสตร์จะทำมีอะไรบ้างท่านตรัสไว้ว่าหนึ่งทุกมีทั้งสัตว์มีทั้งบุคคลมีทั้งท่านมีทั้งเรามีทั้งทุกทางกายมีทั้งทุกทางใจความทุกข์ความบีบคั้นไม่ให้อยู่ด้วยความสะดวกสบายถ้าเป็นน้ําก็ถูกรบกวนอยู่เสมอหาเวลาใสสะอาดไม่ได้นั่นแหละท่านเรียกว่าทุก ไม่ควรในสถานที่อืน่นจะควรกายควรใจของเราแลสัตั์ให้รับความเดือดร้อนเมื่อทุกนี้เข้าไปก่อควรที่ไหนคนนั้นแม้จะนั่งตัวตรงอยู่ก็ตามก็แสดงอาการเ อ, เอียงเป็นแสดงอาการนัสัมรสายถ้ามากกว่นนั้นก็าตายนี่คือทุกข์บิพันทุกเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนขอให้เราทุกทุกท่านพิจารณาคำว่าทุกนี้พระพุทธเทจ้าท่านเห็นเป็นของจริงสาวกทั้งหลายท่านเห็นเป็นของจริง เราเห็นเป็นอะไรบ้างนี่ความเห็นที่เห็นผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้เองเป็นเครื่องที่จะสั่งลังควันหรือเป็นการส่งเสริมทุกข์ให้มีกําลังมากบีบพันตนเอง ไ, ได้คำว่าสมูทยัยคือความฟุ้งเฟอเ้อเหื่มความไม่รู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวประพติพตามความอยากอยากอะไรก็ทำตามความอยาก ไม่ได้นำธรรมะมาไตราตรองไมไ่นำธรรมะมาปิดขวางหรือกัน้นกลางความอยากอันนั้นเอาไว้ถ้าหากว่าน้ําถ้าเราจะเทียบด้วยน้ําน้ําก็ไหลไปตามลําคลองไม่มีอะไรปิดกัน้นเราจะนําเอามาใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้เวลาหมดเาดูฝนไปแล้วน้ําก็เหือดแห้งไปหมดในลาคลองหรือหัวหนองคลองบึง น, นี่ เรื่องของสมุทัยก็ต้องไหลไปเช่นนั้นเสมอสมุทัยแปลว่าแดนเกิดแห่งทุกข์พูดง่ายๆก็คือว่าสมุทัยเป็นพ่อเป็นแม่ของทุกข์เป็นผู้ผลิดทุกข์ขึ้นมานี่พระพุทธเจ้าท่านเห็นสมุทัยนี้เป็นของจริงวิธีแก้สมุทัยแก้ด้วยอะไรพระองค์ท่านก็สอนไว้อย่างบรรดาท่านทั้งหลายที่บำเพ็ญคุณงามความดีทุกประเภท ตามกำลังศรัาทธาความสามารถของตนเหล่านี้ล้วนแนบตรงจะเป็นทางดับทุกข์ไดเป็นลาดับจะให้ทานมากน้อยก็จัดว่าเป็นทางดำเนินเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้สารคาศีลจะเป็นศีลประเภทใดศีลห้าศีลแปดศีลสีบศีลสองร้อยยี่เจ็ดเป็นอุบายวิธีที่จะดับทุกข์ได้ทางนั้นภาวนาเราจะอบรมด้วยวิธีใด เพื่อทำใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นเหล่านี้เป็นต้นล้วนแน่ตั้งแต่เป็นอุบายวิธีที่จะแะ้วคับดับสมูทยัยให้สิ้นทุกไปจากใจได้ทั้งนั้นนี่คำว่ามรคนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่าเป็นของจริงนิโรธะคือความดับสนิทแห่งทุกข์ด้วยอํานาจของสมูทยัยพระองค์ท่านก็เห็นเป็นของจริงเพราะเหตุใดเพราะทุกข์ก็มีจะกับพระพุทธเจ้า สมุทัยก็มีอยู่กับพระพุทธเจา้มามรรคคือข้อปฏิบัติพิธีดําเนิน ท, ที่จะระงับดับสมุทยัยเพื่อให้ทุกข์นั้นสิ้นสูญไปก็มีอยู่กับพระพุทธเจา้านิโรธะความดับสนิตแห่งทุกข์ด้วยอํานาจของมรรคก็มีอยู่กับพระพุทธเจา้าทุกจริง ท, ท, ทุกอย่างพระพุทธเจา้ามาได้หามาจากที่ไหนเต็มอยู่ในพระองค์ท่านทั้งนั้นแล้วจะให้พระองค์ท่านบกท่องที่ตรงไหน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 นี่ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าต้นไม้เมื่อขาดการบำรุงแล้วต้องเป็นเช่นนั้นนี่กิเลสตัณหาที่มีอยู่ในพระภัยของพระพุทธเจา้าก็เป็นกิเลสตัณหาประเภทเดียว ก, กันกับพวกเราเมื่อพระองค์ท่านได้พยายามส่งเสริมสิ่งส่งเสริมเครื่องมือคือคุณงามความดีเพื่อจะตัดทางงอกขึ้นแทงกิเลสตัณหา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 เรื่องของสมุทยัยถ้าได้ก่อตัวขึ้นในหัวใจของผู้ใดไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลต้องทําความดือดร้อนแก่ผู้นั้นอยู่เสมอนี่เป็นของจริงไปในทางทิงไปในทางนี้คุกเป็นของจริงไปในทางหนึ่งสมุทัยเป็นของจริงไปทางหนึ่งมรรคก็เป็นของจริงไปในทางหนึ่งเมื่อของจริงได้มาครบตันแล้วตายก็กลายเป็นของจริงขึ้นมา เรื่องของทุกของสมุทัยลดมากเป็นของจริงแต่ละอย่างละอย่างเพราะอํานาจของปัญญาพิเศษแทงตลอดเรื่องความจริงทั้งหลายใจก็ได้ถอดถอนจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เคยค้าเข้ากันมาเป็นนานกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาเป็นของจริงอันหนึ่งนี่แต่ของจริงในพุทโธ ท, ที่หลุดพ้นจากสิ่งนั้นเป็นของจริงพิเศษจากของจริงทั้งสี่ประการนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านตรัสอย่างนี้ เราทั้งหลายก็เป็นลูกเต้าเราก็ที่เรียกว่าพุทธบริษัทก็ควรจะคำหนึงถึงเรื่องทุกข์ของเรามีน้อยก็ต้องทำความเดือดร้อนให้เรามีมากก็ทำความเดือดร้อนให้เราตจงพยายามฝึกหัดตัดแต่งของตนตัวของตูกให้ได้ในชาตินี้เราก็เห็นชัดเจนแล้วในกายในใจของเราที่เกี่ยวกับทุกข์เพราะทุกข์นี้ไม่ไปอยู่ที่ไหนเราจะปลูกป้านสร้างเรือนให้มันไม่อยู่ทั้งนั้นแหละ ถ้าในกายของคนแลสัตว์แล้วชอบเต็นทีกายของคนแลสัตว์แล้วทุกข์ชอบเต็มทีตั้งอยู่ได้วันยั่งค่าคืนยังยุ่งตั้งอยู่ได้ในหัวใจของคนและสัตว์นั่นตลอดกลับตลอดกันพาเกิดก็เกิดด้วยกันแก่ก็แก่ด้วยกันตายก็ตายด้วยกันแต่ทุกข์ไม่ตายเพราะใจไม่ตายนั่นใจไปไหนทุกข์ก็ไปด้วยต่อเมื่อเราได้ชำระตาสางให้ระงับดับลงไปเสียโดยจิตเชิงแล้วก็เป็นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราแม้คําว่าจิต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 สัมมาทิฏฐิเป็นต้นน่มามอบให้พวกเราทั้งหลายส่องดูตัวของเราเคยเกิดมาขี่พบกี่ชาติทาไมจึงสงสัยเรื่องความเกิดของตนหมือพวกเราโง่ขนาดไหนเราเก้าวเหยียบไปก็ลอยของเราเองไปที่ไหนก็ลอยของเราไปที่ไหนก็เหยียบไปที่นั่นเหตุไรจึงจํำลอยเราไม่ได้นั่นมีเรื่องความเกิดมันก็เป็นร่องรอยมาโดยลําดับลํำดั บ, ดบถ้าไม่มีเชื้อแห่งความเกิดความเกิดจะแสดงตัวออกมาให้ปรากฏได้อย่างไร ต้องมีสายเงียให้เกิดสายเงียบของความเกิดก็คือเรื่องของอวิชชาที่ไม่รู้สึกตัวนั่นเองรู้ธรรมนาแต่ไม่รู้เรื่องที่จะแก้ตัวของตัวให้หลุดพ้นจากร่องรอยที่เคยเกิดเคยเจอเคยเจียเคยเตายนี่แรียท่านเรียกว่าอวิชชาไม่ใช่หลงอะไรหลงเรื่องของตัวเองนี่เราผิดกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ทา่านจึงได้มอบธรรมะให้พวกเราเป็นเหมือนกับตะเกียงแสงสว่างส่องทางไปทางมา สองดูการทำสองดูการพูดสองดูการคิดอันใดผิดพยายามแก้ไขตนเองนั่นเนี่ยคือว่าปัญญาสองทางบุกให้บุคคลนะครับความปลอดภัยไม่เป็นทุกข์ mm hmm. นี่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ตรัสรู้อย่างนี้เมื่อได้ประกาศพระศาสนาถึงสี่สิบห้าภาษาแล้วก็สเสด็จกลับคันทัพอปดีผานก่อนจ ะ, สะเสด็จไปกับคันทปีผาน ก็ได้หยับบรรณาประสงค์ทั้งหลายมาประชุมและตรั ส, รวสรวไ ว, ว้ว่าดูกนทิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพยายามพิจารณาสังขารสังขาร น, นี้มีความเกิดแล ะ, จะเจริญขึ้นแล้วดับไปทั้งภายนอกและภายในให้พิจารณาโดยความไม่ประมาทเธอทั้งหลายจะรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมที่เราสถาโกดแสดงไว้แล้ว พอจบลงเท่านั้นก็ปิดพระโอษฐ์คือไม่จะจัดเรื่องอะไรต่อไปทําหน้าที่จะปรินีพานด้วยความสง่าราศีในพระองค์ท่านไม่มีความตกสันการแสงในเรื่องความทุกข์ที่จะมาครอบงำในเวลานั้นมีความองอาจต่อหลักความจริงที่ได้ทรงบำเพ็ญมาเท่าไหร่จน ท, นทนานิทํานามและสามารถประกาศสั่งสอนโลกได้เป็นจำนวนไม่น้อย พระองค์ก็ทรงทําหน้าที่จะปริีภานเบื้องต้นก็เข้าปฐมมาชานปฐมมาชานมีองค์ห้าสีตีสุเอกาตาอที่ตกวิการสีตีสุเอกาตานี่ทันเดียวกับปฐมมาชานออกจากนั้นเข้าทุติยชาญเข้าจะตัติยชาญเข้าจะถุตชาญชาณาแปลว่าความเพ่งเล็งการเข้าเช่นนั้นพระองค์ทําให้สมกับว่าพระองค์เป็นศาสตาของโลก เมื่อยังทรงกระชอนอยู่ก็แสดงลวดลายของศาสดาไม่ให้มีการบกพร่องไม่ว่าจะเอียงซ้ายเอียงขวาเหลือซ้ายแลขวาไปที่ไหนมาที่ใดลวดลายแห่งศา ส, าสดานั้นจะไม่บกพร่องไปเลยจึงสมกับว่าพระองค์เป็นสัตทาเทวมนุษย์สานังคือเป็นครูของมนุษย์และเทวดาและคนทุกท่านสมกันามว่าเป็นศาสดาของโลกอยู่ที่ไหนไม่ทรงวัง ทิ้งดวลลายของศาสนาการประพฤติปฏิบัติการไปมาการพูดการจาถูกต้องกับหลักของศาสดาสอนโลกผู้ใดได้มองเห็นพระพุทธเจ้าจะเป็นพระยาบทใดก็ตามเป็นที่เย็นอกเย็นใจเป็นที่เย็นหูเย็นตาเป็นที่เขารบเคลื่อนสเพราะมีความสง่าผ่าเผยมีความลมเย็นแจดใช้หูใช้ตาที่ผู้ได้เห็นได้ยินหรือได้เข้าเฝ้าในเวลานั้นเมื่อเวนาจับ เสด็จ ด, ดับคันธ่าปฏิทานจะทิ้งลวดลายาศาสนาอย่างไรเล่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องเข้าปฐมฌ า, านเพื่อไว้ลวดลายของสัตว์ราษาร์ในเวลาสุดท้ายเข้าปฐมฌ า, านก็เป็นรวดลายอันหนึ่งดุเ ต, ตียฌานตตียฌานเจือฌานล้วนแม้ตั้งแต่ลวดลายของาศาสดาที่เป็นภูสองโลกโดยสมบูรณ์จากนั้นก็เข้าอรูปฌานสี่คืออากาสารน迦เจตนายนะัญญาน迦เจตนะ อาจินจั ญ, ญาเจตนะเนชัญญานาสัญญาเจตนะนี่เป็นอรูปฌานสี่เรียกว่าเป็นนามธรรมล้วนๆจากนั้นก็เข้าสัญญาเวทายกันิโรดดับสัญญาและเวทนาไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในประกายของพระองค์ท่านแล้วขอจิตกลับออกมาอีกจากสัญญาเวทายกันิโรดมาหักเนสัญญานาสัญญาเจตนะจนกระทั่งลงไปถึงปฐมฌาน แล้เข้าไปอีกเข้าปฐมฌานลุติยฌานตัติยฌานจตุตฌานเข้าไปอีกพอพานจากจตุจตุตฌานแล้วเท่านั้นไม่ต้องไปฌานไหนๆเัดเ็จนิพพานในท่ามกลางแห่งฌานทั้งทั้งสองคือรูปฌานและอรูปฌานนั้นทำไมพระองค์ท่านจึงทรงนิพพานในระหว่างกลางไม่ทรงนิพพานในฌานในฌานหนึ่ง นี่ก็เพราะลวดลายของศาสดาสมกับภูมิของพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงหากว่าพระพุทธเจ้าจะนิพพานในชาตใดชาติหนึ่งเสียอย่างนี้บรรดาสาวกที่รู้เห็นตามพระพุทธเจ้าในความบริสุทธิ์แล้วจะต้องตำหนิพระพุทธเจ้าว่าไม่สมภูมิกับศาสดาที่สอนโลกเวลาสุดท้ายกลายเป็นเรื่องบอกพร่องในการปรีพนน่ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเพื่อประกาศองค์ของท่านให้สมกับสาสดาทั้งในเบื้องต้นในถํากลางและวาราสุดท้ายจึงต้องนิพพานในถํากลางแห่งชานทั้งสองคือปฐมรูปประชานและอรูประชานเพราะรูปประชานก็เป็นสมมติอันหนึง่งระอรูปประชานก็เป็นสมมติอันหนึง่งจะไปเข้าในสมมตินั้นไม่สมคุมที่วา น, นานิพพานจึงออกในย่านกลางไม่ไปในชาในใดทั้งนั้นนั่น เมื่อถึงจุดนั้นแล้วก็เป็นอันว่าปฏิญญาโดยสมบูรเมื่อปฏินญญาแล้วก็ถ้าพะ ศ, ศพของพระองค์ท่านก็เอาไว้เคียงเจ็ดวันต่อจากนั้นก็ถว า, ายพระเพลิงแต่มาตกมาสมัยของพวกเรานี้จะ ก, กลายเป็นปาร้าไปหมดแล้วครูบาอาจารย์องค์ไหนตายก็เอาไว้สองปีสามปีสีป่ปีขายกันจินอยู่เช่นนั้น ฟืนเผาไม่แห้งฟืนเผาไม่ไหม้นอกจากจะหาเอากระดาษเอาเงินมาเผากันนี่น่าสะโลดสังเวยมากนะต่อไปก็กลายเป็นประเพณีอีกเหมือนกันผูวว้วอาจารย์ตรงไหนตายสองปีสามปีเก็บ ด, ดองกันไว้อย่างนั้นนะ่ะหาอยู่หากินแอ บ, บกันอยู่นั่นถ้าจะเผาท่านก็กลัวจะวัดว่าอาวาสจะเสื่อมกลัวปะตุปจัจจะมีเอเมื่อเป็นเช่นนั้นนั่นแลงมันจะเสื่อมจะหาที่เจริญไม่ได้เพราะเราไปสนใจกับเรื่องศพ ของท่านเท่านั้นไม่ได้สนใจในข้อวัดปฏิบัติของเราที่จะปรับปรุงสวงเราให้ดีอย่างไรบ้างเพราะศาสนาไม่ใช่เจริญมาด้วยศกด้วยเมนแต่เจริญมาด้วยข้อวัดปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัตินั้นให้ตรงตามหลักสุ ป, ปฏิปันโนอุทุกยานะสามมิจิปฏิปันโนตรงแล้วไม่อดไม่อยากเพราะเหตุใดเพราะแก้วธรพันึกมีภาณจิตใจแล้ไปที่ไหนก็สมบูรณ์ไปหมดนั่นพระพุทธเจ้าท่านมุม่งหวังอย่างนี้ มาได้สอนเพื่อใเราทั้งหลายตายแล้วเจ็บกันไม้ตั้งเป็นปีปีปสองปีสามปีเจ็บดองกันไรเงี้แอปมันจิ้อยู่แค่นั้นวันนี้ได้แสดงถึงเรื่องพระพุทธเจ้าประสูตตรัสรู้และปราริภานให้บรรดาเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริกัทได้ทราบแล้วน้อมเรื่องของพระองค์ท่านมาประพฤติปฏิบัติ ตามจลิตมีไสยกาลังความสามารถของเราหากว่าเราจะไม่ถึงจุดหมายปราทางอย่างพระองค์ท่านก็ตามคาว่านิยานนิกะระทรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติโดยชอบรำเต็มปติกำลังความสามารถของเราแล้วอย่างไรก็จะต้องให้ผลแก่เราโดยแน่นอนสมกับคาว่าธรรมโมหายเวรคติธรรมะใจถ้าทาไม่เคยปล่อยทิ้งผู้ใดที่ประพือตัว ดีประพฤติปฏิบัติชอบยอมได้รับผลเป็นเครื่องตอบแทนตามขั้นตามภูมิแห่งกำลังความสามารถของตนที่ปฏิบัติได้ดังนั้นในอวสานแห่งธรรมเทจนานีขอบุญญาณุภาพจงแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคจาพร้อมตั้งประ ร, รมและประสงจงมาปรการาเราท่านพุทธบริษัตทั้งหลายทั้งมาจากทางกล้และมาจากทางกลอุสาวมาด้วยความศีลละ ท, ท, ทุกท่านให้มีความ เย็นอกเย็นใจปรารถนาสินใดจงสมความมุ่งมากปรารถนาโดยทั่วหน้ากันเอวังก็มีด้วยเพื่อกาละจน์